เวลาฟังธรรมเป็นเวลาสำคัญในชีวิตเราอย่างถ้าเราพอนาเป็นนะเราจะรู้สึกเลยช่วงที่เราได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารยนะ์สำคัญมากเลยเป็นนาทีทองในสังสารวัตคราวหนึ่งเราก็ไปสนใจถ่ายรูปถ่ายวีดีโอในพวกนี้หาสาระไม่ได้หรือวอกแวก ติดต่อธุรกิจอะไรวุ่นวายมีนะ่ไปเทศที่หนึ่งระหว่างฟังเทศนะ์คนนิมนต์เป็นเจ้าของบริษัทโทรศัพท์อยู่นันะ่นสั่งอ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, ออเดอร์่นออเดอร์นี่อูยวุ่นวายคนฟังก็วุ่นไปด้วยนะทีหลังมานิมนต์ไม่เอาละไม่เคารพพระธรรมธรรมะเป็นของสูง ไม่ใช่ของเรขขายนะหลวงตามมหาบวชแล้วบอกไม่ใช่ปลาเน่านะจะต้องรีบรีบขายไม่ใช่เป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของสูงแรืวอที่ใจเราอ่อนน้อมต่อธรรมะธรรมะก็จะเข้าสู่ใจเราง่าย ใ, ใจเรากระด้างวกแวกกับธรรมะธรรมะก็เข้าหูเข้าหูซ้ายออกหูขวา หูมีสองหูแต่ใจมีใจเดียวถ้าเข้ามาที่ใจเข้ามาสู่ความเป็นหนึ่งงนเวลาในการฟังธรรมก็ตั้งใจฟังแต่อย่าฟังจนเครียดฟังไปด้วยความรู้สึกตัวสบายๆไม่วอกแวกไม่ก่อกวนตัวเองไม่ก่อกวนคนอื่นใช้ใจสบายๆนะการที่จะเรียนธรรมะให้รู้เรื่อง ต้องรู้ก่อนว่าการเรียนธรรมะนั้นทำได้หลายอย่างเรียนจากการอ่านจากการฟังเนี่ยเป็นการรับความรู้ความเข้าใจรับภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าของพระสาวกของครูบาอาจารย์การอ่านการฟังเนี่ยเป็นเป็นปัญญาของคนอื่นไม่ใช่ปัญญาของเราท่านมีปัญญาแล้วท่านมาเล่าให้ฟัง งั้นปัญญาตัวนี้ยังฆ่ากิเลสในใจเราไม่ได้เราได้แต่ทรงจำไว้เป็นแค่ความจำแต่ก็อาศัยความจำอันนี้เป็นรู้ทางมาดูว่าเราจะพนานาของเราด้วยตัวของเราเองได้ยังไงให้เกิดปัญญาอย่างท่านทำได้ยังไงเราก็ดูว่าท่านปฏิบัติยังไงท่านไม่ปฏิบัติอะไรอย่างท่านไม่ทำผิดศีลผิดธรรมเราก็ไม่ทาผิดศีลผิดธรรม ท่านปฏิบัติอะไรท่านมีศีลมีธรรมเราก็มีศีลมีธรรมตามท่านไปเดี๋ยวเราก็เกิดปัญญาอย่างที่ท่านเป็นเการฟังความรู้จากการฟังเนี่ยเพื่อให้เกิดรู้วิธีที่จะปฏิบัติเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ฆ่ากิเลสในใจเราหรอกวิธีหาความรู้อีกอย่างหนึ่งคือการคิดพิจารณาพวกเราหลายคนนะช่างคิดมากเลยวิเคราะห์หาเหตุหาผล โดยเฉพาะพวกบารมีทางธรรมะพูดออกมาแต่ละคำนะสุญญาตาปฏิจจสมุปบาทะไรเงี้ยพูดธรรมะสูงๆเท่านั้นเลย ใ, ใจมันไม่เป็นเป็นแค่ความคิดความคิดไม่ใช่ความจริงเหมือนอย่างเราฟังธรรมะนะเราจําไว้ความจําไม่ใช่ความจริงความจำมันปัญญาของคนอื่นเราจําเข้ามาหรือเราคิดเราเองยิ่งหนักเข้าไปอีก คิดผิดก็ได้คิดถูกก็ได้ mm. วความคิดก็ไม่ใช่ความจริงเราอาศัยความจำได้ยินได้ฟังธรรมะนะแล้มาคิดไตรตรองว่าเราจะปฏิบัติยังไงพอจาจับหลักการปฏิบัติได้แม่นยำแล้วลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีอะไรมากหรอกมันคืองานวิจัยอย่างหนึ่ง mm. เหมือนงานวิจัยเพียบเลยนี่ทำมาวิจัย เคยได้ยินชื่อนี้ไหมธรรมวิจัยบวกโพชชงนะจะมีสติมีธรรมวิจัยใส่สติไปทำมาทำธรร ม, รรมวิจัยธรรมวิจัยคือวิจัยธรรมวิจัยยังไง mm hmm. เรียนรู้ความจริงของรูปเรียนรู้ความจริงของนามนั่นแหละธรรมะคืออะไรรูปประธรรมนามธรรมานั่นแหละวิจัยตัวนี้เวลาเราทํางานวิจัยเราไม่ใช่นั่งคิดเอาเองนะ แล้วก็ไม่ใช่วิจัยลิเท r รเ u อร์อ่านแต่อยู่ในห้องสมุดอ่านห้องสมุดก็คือการเรียนปริยัตนั่นงจิดเราเองก็แค่ปัญญาจากการคิดวิจัยธรรมะเนี่ยเป็นการวิจัยภาคสนามลงไปดูของจริงของจริงที่เราจ ะ, จะเรียนนะก็คือรูปธรรมนามธรรม ท, ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อให้เห็นความจริงความจริงเป็นยังไงไม่จาเป็นต้องพูดเลย ถ้าเราเรียนตามรู้ตามดูมีสติรู้รูปนามอย่างที่รูปนามเป็นในเวลาไม่นานเราก็จะเห็นความจริงของรูปนามแล้วเราสรุปได้อย่างหนึ่งนะความจริงคือไตรลักษณ์แต่ตอนที่เราพอนานนีย่ยังไม่ต้องจิตถึงไตรลักษณ์หรอกให้ดูความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวจิตใจก็รู้สึก ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึ ก, ร, กร่างกายกินอาหารร่างกายขับถ่ายรู้สึกหลวง พ, พ่อพุธสอนดีนะหลวง พ, พ่ Yet, อพุยธรรยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติแนกคือการวิจัยธรรมะนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดใครเป็นคนทำรูปธรรมคือกกยนี้เป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูด ใครเป็นค น, น ค, นดด ค, นคนดิดใจเป็นคนคิดคิดแล้วก็เกิดสุขบ้างเกิดทุกบ้างเกิดกุศลบ้างเกิดอกุศลบ้างใครเป็นคนคิดคิดใจเป็นคนคิดก็คือมีสติรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายมีสติรู้ถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจนี่หารู้ไปเรื่อ ย, อยสุดท้ายก็จะเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของจิตใจความจริงในร่างกายที่เห็นได้ง่ายเลยก็คือเห็นทุกข์ ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจออกก็ทุกข์ก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าแล้วก็ทุกข์ก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์นั่งนานๆก็ทุกข์นะต้องขยับเปลี่ยนอิริยาบถแก้ทุกข์เดินนานๆก็ทุกข์ต้องเปลี่ยนอิริยาบถแก้ทุกข์นอนนานๆก็ทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถอีกต้องพลิกไปพลิกมาเคลื่อนไหวไปมาไม่กินอาหารเลยนะก็ไม่ได้ก็ต้องไปกินอาหาร กินอาหารอย่างเดียวก็ไม่ได้เขาต้องไปขับถ่ายเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเพราะความทุกข์มันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวปวดอือปวดชี่นานๆเจ็บไข้หนักๆทีหนึงนตนสุดท้ายเจ็บหนักส่วนร่างกายนี้ทนอยู่ไม่ได้แตกสลายไปเป็นอย่างนี้ทุกคน เนี่ยถ้าเรามีสติรู้อยู่ในกายเราไดเห็นกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของมิเศษอย่างที่เคยนึกเลยเนี่ยความจริงของกายคือตัวทุกข์ความจริงของกายอีกชนิดหนึ่งก็คือมันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาถ้าธาตุไหลเข้าแล้วไม่ไหลออกก็ตายธาตุไหลออกแล้วไม่ไหลเข้าอีกก็ตายนร่างกายทนอยู่ไม่ได้แตกสลายอีก มันเป็นวัตถุธาตุรอเลี้ยงอยู่ด้วยธาตุมีธาตุที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเช่นหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนธาตุมันหมุนเวียนไปได้กินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะกินน้ำเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายนะนีธาตุมันหมุนเวียนธาตุขับถ่ายอย่างเดียวไม่ใส่เข้าไปใหม่ก็ตายใส่เข้าไปไม่เอาออกก็ตายนะ หายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายตายง่ายมากเลยนักปราชญ์ทั้งหลายไม่เคยเห็นเลยนะว่าชีวิตนี้เป็นของยั่งยืนเป็นของมั่นคงท่านเทียบนะบอกเหมือนภาชนะดินเหมือนหม้อดินพวกเรารู้จักหม้อดินไหมหม้อดินที่ขายสีแดงๆหม้อพวกนั้นแตกง่ายยกแรงๆก็แตกนะ อยู่ๆน้ำร้อนไปใส่ก็แตกอีกนาะทำเปลี่ยนอุณหภูมิเร็วไฟก็แตกอีกแตกง่ายมากเลยท่านเปรียบร่างกายเหมือนภาชนะดินแตกง่ายรักษายากรักษาอย่างไงถึงจุดหนึ่งก็แตกพวกเรารักษาไหมรักษาอย่างดีเลยใช่ไหมน้ำจะเกี่ยวเรานิดนึงเราก็ทนไม่ได้นะเราไม่ยอมหรอกห่วงมากเลยนิดหนึ่งก็ไม่ได้สุดท้ายมันก็แตก เนี่ยคมีสติมีปัญญาขึ้นรู้สึกร่างกายนี้เปล่ะาบางร่างกายไม่ได้คงทนอะไรนักหนาหรอกให้อยู่มานานอย่างหลวงพ่อนะจะรู้เลยคนเราตายง่ายคนที่หลวงพ่อรู้จักเนี่ยตายไปเยอะละในห้องนี้ก็คงมีบางคนคงจะตายก่อนหลวงพ่ออีกนะพวกเราทยอยตายไปเรื่อยๆนะคนใหม่ก็มาคนเก่าก็ตายไปอะไรอย่างเงี้ยวนเวียนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆ บางคนนะตายอย่างนึกไม่ถึงเลยแข็งแรงกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวมีแ ม, แม่แม่ครัวอยู่คนหนึ่งนะแกะขยันทำงานมากเลยอยู่ที่วัดสาขาของโลงปุเทนแข็งแรงชื่อใหญ่แต่ว่าทำงานก็ว่องไวนะพูดก็ไวเสียงก็ดังแสดงว่าพลังปอดเนี่ยแข็งแรงมากเลยพูดทีเดียวนะได้ยินถึงยอดเขาเลย วันหนึ่งนะกินข้าวเช้านี่แหละแล้วก็ลองออก อ, อก๊ออกนะลม้มลงไปตายเลยกินเร็วไปเข้าใจร้อนยัดยัดเข้าไปมันสะอึกทีเดียวนะั้นเข้าหลอดลมเข้าหลอดลมหายใจไม่ได้นะเราออกอ๊ อ, อ ก, ออกตายเลยนูตายง่ายขนาดนี้นะ้ะคนเราอะร่างกายเหมือนภาชนะดินนะแตกสลายง่ายเนี่ยไม่ใช่ของคงทนถาวรเนี่ยความจริงของมัน ของไม่เที่ยงเป็นของทนอยู่ไม่ได้นานถูกบีบขั้นตลอดเวลามีความทุกข์บีบคั้นอยู่นะแล้วก็เสื่อมสลายไปแล้วจริงๆแล้วก็เป็นแค่วัตถุรักแค่ไหนพอตายเข้าไปเผาทิ้งชีเทาเขาก็กวาดทิ้งกระดูกเขาก็เอาไปทิ้งเก็บไว้อย่างมากเก็บไว้นิดๆหน่อยๆแต่หลวงพ่อเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะสามีตายรักสามีมากเลยนะ เอากระดูกมาห้อยคอไว้ครูบาอาจารย์ตีเตียนนั้นบักติเตียนว่ า, าใจไปผูกมากไปตัวเองก็เศร้าหมองนะถ้าผีมันรู้ผีมันก็เศร้าหมองอีกถึงเวลาก็ต้องเอาไปทิ้งรักแค่ไหนก็เอาไปทิ้งสุดท้ายพอตายไปก็รีบขนไปวัดใช่ไหมสมัยโบราณบ้านเหมือนกว้างตายแล้วเอาศพไปที่บ้านยาก็ไม่มีจะฉีดนะ งั้นมาเลยเกิดนิทานนิยายเยอะแยะเลยที่พระกำลังสวดแล้วผีดันโลงขึ้นมาผีไม่เจตนาจะดันมันขึ้นอืดมันดันฝาโลงขึ้นมาพระก็วิ่งโยมก็วิ่งนะเดี๋ยวนี้ก็เอาไปทิ้งไว้วัดประเทศอื่นเขาเอาไปเข้าบริษัทนะมีบริษัทเผาศพตายเพื่อว่าไปเผาเลยไม่รู้จะเก็บไว้ทำอะไรรักกันแค่ไหนสุดท้ายก็รีบเผาทิ้งไปกลัวโกปลก กลัวน่ากลัเหม็นกว่าความจริงเทสเรื่องนี้ดีไหมใกล้จะกินข้าวแล้วทำให้ไม่หิวฟังแล้วไม่ค่อยหิวทเทอย่างนี้เนี่ยเราดูความจริงในร่างกายนะเต็มไปด้วยความทุกข์แตกดับง่ายทนอยู่ได้ยากคําว่าทนได้ยากก็คือคำว่าทุกข์ขังนัง่นเองถูกความทุกข์บีบคั้นมันทนอยู่ได้ยากมันแตกง่ายเปราะเปล่ามากเลยร่างกายเรา ตายง่ายๆเลยตายอย่างนึกไม่ถึงอะไรบางคนนีดเดี๋ยวแข็งแรงดีๆนะไปตรวจร่างกายตรวจน้อนตรวจนี่ตายเลยก็มีนะไม่มีเนี่ยเรามาเรียนรู้ความจริงนะแต่เราไม่ได้ไปดูที่คนอื่นดูในร่างกายเราเนี่ยเห็นความทุกข์บีบคั้นเห็นแต่ธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ต้องคิดหรอก แต่ถ้ามันไม่ยอมดูพามันคิดงั้นการคิดพิจารณาเนี่ยเป็นอุบายสําหรับจิตที่ไม่ยอมเดินปัญญางั้นที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านชับสอนนะพุโทโธพุโทโธไปเสร็จแล้วมาพิจารณากายก็จําเป็นว่าท่านพุโทโธเยอะจิตมันสงบมันนิ่งไม่ยอมพิจารณาไม่ยอมเดินปัญญาเข้ามาคิดร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้บอบบางน่ตายง่ายรักษายาก เพียแค่วัตถุเพ็นแค่ก้อนธาตุมีความทุกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาคิดนาเข้าไปเสร็จแจิตมันเคยชินที่จะมองทุกขังอนัตตาในไกายมันก็จะมองได้เองตรงที่มันมองได้เองนั่นแหละเดินปัญญาจริงไม่ใช่คิดเอาคิดนอาเป็นจิตตามมายาปัญญาแต่ต้องไปเห็นเอาเป็นการปรับมุมมองของจิตให้หัดมองไตรลักษณ์การคิดพิจารณาเป็นแค่การปรับมุมมองให้จิตรู้จักมองไตรลักษณ์เท่านั้นเองไม่งั้นจิตไม่มองไตรลักษณ์จิดมองอะไรมองร่างกาย จิตมองอะไรมองแต่จิตใจมองแต่ความรู้สึกอย่างเห็นความสุขเกิดแล้วไปดูอยู่ที่ความรู้สึกไม่ใช่วิปัสนาเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนอยู่ยังไม่ใช่วิปัสนาเห็นร่างกายพองยุบยังไม่ใช่วิปัสนาเนี่ยต้องเข้าใจถึงความเป็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสนาแต่ถ้ามันไม่ยอมมองไตรลักษณ์ก็ช่วยมันคิดพิจารณาก่อนนิดนิดนหน่อยหนย่พอกระตุ้นให้จิตหัดมอง จิตมองเป็นแล้วอย่าไปนั่งคิดเอาคิดเอาไม่ใช่วิปั ส, สนาเนะี่ยค่อยๆดูนะถ้าดูกายก็เห็นทุกขังเห็นอนัตตาง่ายถ้าดูจิตดูใจเห็นอะไรง่ายเห็นอนิจจังง่ายร่างกายดูอนิจจังยากกว่านะร่างกายตัวรูปเนี่ยอายุยืนกว่านามรูปหนึ่งรูปนี่มีอายุเท่ากับ17ขณะจิตแต่นามหนึ่งนามเนี่ยมีอายุหนึ่งขณะจิตสั้นกว่ากัน เป็น1 0บ0เท่าเลยการจะดูรูปให้เห็นอนิจจังเห็นความเกิดดับดูยากกว่าดูนามแต่ดูทุกข์ก็ดูอนัตตาได้ดูนามาทำเช่นความรู้สึกในใจเราสังเกตไหมความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเดี๋ยวคุยๆไปนะหลวงพ่อพูดให้ตลกเราก็ขำขำมากไปใจก็ฟุง้งใจฟุ้งโดนหลวงพ่อจวกเอาว่าหลงไปแล้วรวบกลับทำไมา ก, กลับมาเพ่งอีก ใชจะเปลี่ยนตลอดเวลาเลยเนี่ยอันนี้จังอันนี้จังไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเลยนะหัดใหม่ๆเรายังไม่เห็นว่าเขาเปลี่ยนตลอดเวลาเวลาเราหัดดูจิตดูใจใหม่ๆนะดูเป็นวันๆก็ได้พวกเรารู้สึกั้ยแต่ละวันความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันบางวันสดใสบางวันเสิงๆบางวันเศร้าโศกเนะี่ยแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลย พอเราดูแต่ละวันไม่เหมือนกันได้นะแต่ไปดูให้ละเอียดขึ้นในวันเดียวกันนะเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันตือนเช้าขึ้นมาสดใสตอนสายไปทํางานรถติดงวนงิดไนปะถึงที่ทํางานงานสมหัวเฮ้ยฟุ้งซ่านอนะไรเงีนะ้ยกลางวันออกไปกินข้าวนะเจอเพื่อนเก่าก็ะดีกระไดอีกแล้วนะตอนบ่ายซึมง่วงอยากหลับกินมากไปหน่อยนะบางคนไปกินเหล้าอนะไรเงี้ยซึมง่วง ตอนเนๆเริ่มสดใสอีกแล้วจะกลับบ้านอย่างนี้นะเ่ยวไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เนี่ยใจเราเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนเต็มที่แล้วนะกลับมาบ้านมาอาบน้ําอาบท่าเปิดทีวีดูดูทีวีใจก็เปลี่ยนอีกแล้วนะดูข่าวนี้ใจเป็นอย่างนี้ดูข่าวนี้ใจเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเช้าสายใบยเย็นนะดึกดื่นเที่ยงคืนเลยเนะี่ยใจไม่เคยเหมือนกันเลยเนี่ยเรียกว่าอานิจจัง ถ้าเราชํานีิชํานาญมากขึ้นดูจิตได้ชํานาญมากขึ้นเราจะเห็นว่าจิตมันเปลี่ยนทุกขณะเป็นขณะขณะขณะอะไรที่จิตเปลี่ยนขณะที่มองเห็นจิตก็เปลี่ยนขณะที่ได้กลิ่นได้รสได้สัมผัส ท, ทางกายจิตก็เปลี่ยนขณะที่คิดนึกทางใจจิตก็เปลี่ยนตาเรามองเห็นดอกไม้สวยงามมาวัดเช้าๆในหน้าหนาวรู้สึกสบายไหมแดดอุ่นๆมีความสุขไหมเนี่ยสดใส นะพอมานั่งดมกลิ่นอาหารเนี่ยชักยากวนกระวายบางคนหิวยังไม่ได้กินหลายชั่วโมงแล้วเนะี่ยความสุขสดใสจากบรรยากาศตอนเช้าหายไปแล้วใจเป็นหิวโหยใจทุรนทุรายเมื่อไหร่หลวงพ่อจะเลิกเทศสักทนะีลืมไปอย่างหนึ่งนะว่าหมาแทบแยกเนี่ยเพื่อมาฟังเทศไม่ใช่มากินนะเพราะงะั้นหิวก็โทาก่อน <laughs> เวลาตามมองเห็นนะความรู้สึกเราเปลี่ยนจมูกได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนนะยังได้กลิ่นอาหารหอมหอมใช่ไหมอยากกินได้กลิ่นอาหารชนิดซึ่งเราไม่ชอบเนีย่ยบางคนสมมติบางคนไม่ชอบทุเรียนได้กลิ่นทุเรียนแล้วอยากอ้วกความรู้สึกไม่น่าเลยคนอะไรนะชอบซื้อทุเรียนมาสวายพระนิสัยไม่ดี <S <S ส่วนไอ้พวกชอบกินทุเรียนโอโโ้ดีจังเลยใครนัใจบุญ น, นะความรู้สึกมันแตกต่างนะเนี่ยจมูกได้กลิ่นนะความรู้สึกก็เปลี่ยน ริ้นกระทบรดความรู้สึกก็เปลี่ยนนะสมมว่าเราชอบกินไข่เจียวเนี่ยนะเริ่มเริมน้ําไหลไหลแล้วรู้สึกไหมแต่ที่แต่นี้พูดถึงอสุภะทีแรกนะไม่อยากอาหารตอนนี้หลวงพ่อพลิกกลับมาเรื่องอาหารละวสังเกตไหม <c oughs> เราเป็นคนชอบไข่เจียวนะโอ้ยร้อนๆข้าวก็ร้อนไข่ก็ร้อนน่ากินก <c oughs> วนฉุยๆนะอากาศก็เย็นๆอย่างนี้นะฟาดข้าวร้อน กับไข่ร้อนๆก็น่ากินแล้วตักใส่ปากเฮ้ยมันทอดไม่เป็นเจียวไข่ไม่เป็นดีกว่าลืมใส่น้ำปลาจืดสนิดเลยยังกับไข่ตุนธรรมดาอะไรอย่างนี้นะคนชอบไข่เจียวอยากได้รสอย่างนี้พอไปได้รสที่ไม่ถูกใจนะโถสะขึ้นนะทีแรกก็อนุโมทนาเขาโอ้วหแม่นคนนี้ใจบุญนะเอาถาดไข่มาตั้งถาดหนึง่งชิมไปเฮ้ยทำข้มาได้นะ อย่างนี้อย่าทำซะดีกว่านีแม้ใจมันพลิกไปพลิกมานึกออกไหมเนี่ยหัดดูกรรมฐานจริงๆไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะคอยรู้สึกร่างกายเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปมันมีความทุกข์บีบคั้นเรื่อยๆเหมือ น, นเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกถ้าดูจิตใจก็ดูเรื่องไม่เที่ยงใจเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสภาวะทางใจมีไม่ได้เยอะอะไรหรอกนะ แบ่งกลุ่มใหญ่ๆก็แค่มีความสุขมีความทุกขมีความไม่สุขไม่ทุกนี่กลุ่มหนึ่งเรียกว่าเวทนามีสามตัวใหญ่ๆเองสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วนะกว่าฝ่ายดีก็เช่นศรัทธาวิริยะสติปัญญาอะไรนี่นะี่เป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วมีไม่มากมีสามตัวเองนะรบกรดหลงรู้จักรอบหมรอบสภาวะของความรอบคืออยากดึง อารมณ์เข้ามาหาตัวเองเห็นคนนี้สวยก็อยากดึงเข้ามานะเห็นอันนอยากจินก็ดึงเข้ามาโกรธก็คือสภาวะที่ผลักอารมณ์ออกไปไม่ชอบไม่อยากเห็นหน้าดันมันออกไปหลงนี่เป็นสภาวะที่จับอารมณ์ได้ไม่มั่นนะสับสนวุ่นวายเนะี่ยสภาวะในใจเรามีอยู่เท่านี้เองนะมีสุขทุกข์เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์นี่กลุ่มหนึ่งนะสุขทุกข์เฉยเฉยเนี่ยไม่มีกุศลและอกุศล ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อคุศลเป็นสภาวะที่เป็นกลางกลางส่วนดีชั่วดีเป็นกุศลนะชั่วเป็นอกุศลชั่วก็มีไม่มากหรอกมีสามตัวเองโลภหลดหลงโลภก็คืออยากได้ไว้โกรยก็คืออยากผลักให้มันหายไปหลงก็คือลังเลใจไม่แน่ใจงุนงงสงสัยอะไรพวกนี้สภาวะทั้งหลายพวกเรารู้จักอยู่แล้วโลภเราก็รู้จัก โกรธเราก็รู้จักฟุ้งซ่านหดหูรู้จักหมดเลยการทำกรรมฐานเ็าไม่มีอะไรหรอกความรู้สึกขนาดนี้เป็นยังไงก็แค่รู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆอย่าไปรอดูอย่าไปรอดูนะการดูจิตเนี่ยห้ามรอดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาความรู้สึกเกิดนะแล้วค่อยรู้เอาเช่นโกรธแล้วรว่าโกรธแต่ถ้าเราเห็นหน้าคนหนึ่งมาแล้วเดินมาแต่ไกลเรารู้เลยไอ้คนนี้คุยกับเราไม่เกิน3คําเราต้องโกรธ เราคอยจ้องอยู่ที่จิตนะดูว่าเมื่อไหร่จะโกรธแล้วก็คุยกับเขาคุยไปครึ่งชั่วโมงยังไม่โกรธเลยเพราะอะไรเพราะไปจ้องอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นการดูจิตดูใจเนี่ยอย่าไปรอดูอย่าไปจ้องดูอย่าไปดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาง่ายๆโกรธแล้วรู้ว่ากโกรธรอบแล้วรู้ว่าโลบบางคนโวยนะว่าหลวงพ่อสอนผิดนะทําอย่างนั้นก็เกิดรอบโกรธหลงสิใช้ไม่ได้ไม่ถูกต้อง ต้องรอดูดักอยู่ที่จิตไม่มีกิเลสเกิดเลยนี่แหละดีหลวงพ่อไม่เถียงด้วยหรอกเพราะว่าเขาค้านคําสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ได้บอกให้ดักดูพระเจ้าสอนดูคราภิกษูทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเห็นไหมจิตมีราคะขึ้นมาให้รู้ว่ามีราคะพระเจ้าไม่ได้บอกว่าภิกษูทั้งหลายห้ามมีราคะพิกษูทั้งหลายให้เธอเฝ้าอยู่ที่จิตอย่าให้ราคะเกิดขึ้น ไม่ได้สอนเลยนะเงั้นไม่ต้องไปเถียงด้วยมันไม่รู้เรื่องพิสูจน์ทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะคนทั่วๆวไปจิตมีราคะไหมมีแต่เขาต่างกันนักปฏิบัติต ร, ตรงไหนตรงที่เขาไม่รู้ว่ามีราคะเนี่ยเราต่างกับคนทั่วไปนิดเดียวเองไม่ได้พิเศษพิสดารผิดมนุษย์มนนาอะไรมากมายหรอกจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะ อย่างพอจิตมันมีราคาเรารู้ว่ามีราคานีราคาจะดับอันตโนมัตินะกลายเป็นจิตไม่มีราคาเราก็เห็นว่าจิตขนาดนี้ไม่มีราคาก็แค่นี้เองจิตที่มีราคาเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไม่มีราคานีดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดับเก <S <s <art an> ิดจิตอย่างอื่นขึ้นมาแทนอาจจะเกิดจิตโทสะขึ้นมาก็ได้จิตโมหะขึ้นมาก็ได้ดูกราภิกสูทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะมีโทสะขึ้นมาก่อนรู้ว่ามีโทสะ ดูกราภิษูทั้งหลายจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะดูกราพรสิสูทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่า น, นจิตหดหูให้รู้ว่าหดหูนีพ่พระเจ้าสอนอย่างนี้นะหดหูก่อนแล้วรู้ว่าหดหูอย่าไปรอดูเนื้อหลักสำคัญของการดูจิตนะอย่าไปรอดูอย่าไปดักดูไม่เหมือนดูกายนะพสิสูทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่ รู้ชัดเลยรู้ในขณะนี้เลยรู้ลงปัจจุบันเลยเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่ไม่ใช่เดินไปก่อนแล้วรู้ดูกายกับดูจิตจะต่างกันนะดูกายเนี่ยดูลงเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยปัจจุบันขณะดูจิตเนี่ยให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยดูเนี่ยหลักของการเจริญปัญญานะถ้าทำผิดแล้วก็ไม่ได้กินหรอกอย่าไปเฝ้าอยู่ที่จิตไม่ให้คลาดสายตาเลยจะไม่มีอะไรให้ดูจะว่าง แต่ดูกายเนี่ยไม่ใช่เผลอตกเข้าไปแล้วเรามารู้ว่าเมื่อกี่ตกอย่างนี้ไม่ใช่นะใช้ไม่ได้ร่างกายกําลังกระดุกกระดิกเนี่อรู้สึกเราจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราทําไมดูกายต้องดูลงปัจจุบันได้ทําไมดูจิตดูปัจจุบันไม่ได้ต้องไปดูตามหลังเพราะธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวในขณะที่เรารู้กายเนี่ยคำว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะ จิตคืออะไรจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์คืออะไรอารมณ์คือทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตไปรู้เข้านะคือออบเจกต์จิตคือตัวซับเจกต์นะงั้นในขณะที่ร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเนี่ยจิตเอาอะไรเป็นอารมณ์เอาร่างกายเป็นอารมณ์นะในขณะที่โกรธขณะนั้นจิตเอาอะไรเป็นอารมณ์ขณะที่โกรธจิตเอาวัตถุของความโกรธเป็นอารมณ์ไม่ใช่เอาโทสะนะนะ จีนาวัตถุของความโกรธเป็นอารมณ์เช่นเราขับรถอยู่คนปาดหน้าเราไอ้คนที่ปาดหน้าเราเนี่ยเป็นวัตถุแห่งความโกรธในขณะนั้นความโกรธเกิดขึ้นมาจิตจะรู้ว่าโกรธเนี่ยไม่ได้เพราะจิตดวงนั้นรู้ไอ้คนที่ปาดเรานะรู้สึกไหมเวลาเขาปาดปุ๊บสิ่งแรกที่เรามองคือไอ้คนที่ปาดไม่มีใครหรอกวุย้ยความโกรธผุดขึ้นมาแล้วไม่มีนะเพราะฉะ้นะจิตนั่นรู้อารมณ์ได้ครั้งแค่อย่างเดียวนะเวลานา ม, มาทำทั้งหลาย มันฝุดขึ้นมาเนี่ยอยู่ๆจะรู้ตัวนํามาทําตรงๆอย่างไม่ได้เราจะรู้ตามหลังเช่นพอโกรธแล้วทีแรกคนขับรถปาดหน้าเราไอ้คนนี้เป็นวัตถุของความโกรธนะเป็นอารมณ์เพราะความโกรธเกิดขึ้นแล้วสติไปเห็นตอนนี้เอาอะไรเป็นอารมณ์เอาความโกรธเป็นอารมณ์มันตามเห็นนะความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็เห็นว่ามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยสภาวะมันเป็นอย่างนี้นะ ทำไมดูจิตดูลงปัจจุบันไม่ได้ต้องเป็นปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบั น, นแต่ถ้าเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ว่าเมื่อวานโกรธอันนี้ใช้ไม่ได้นะไม่ใช่ปัจจุบันสันตติสันตติว่าสืบเนื่องปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันโกรธขึ้นมาก่อนแล้วรู้ว่าโกรธอันนี้ใช้ได้เมื่อวานโกรธวันนี้รู้ว่าโกรธห่างเกินไปใช้ไม่ได้ ส่วนร่างกายเคลื่อนไหวรู้ในขณะนี้เลยเรียกว่าปัจจุบันขณะมีคําอยู่สองคำนะปัจจุบันขณะกับปัจจุบันสันตติดูกายเป็นปัจจุบันขณะคือขณะนี้กระดูกกระดิกรู้ได้หมดเลยถ้าดูจิตเป็นปัจจุบันสันติคือให้ความรู้สึกเกิดก่อนสดๆร้อนๆแล้วรู้ทันให้รู้ทันอย่างสดๆร้อนๆไม่ให้รู้ทันเมื่อข้ามไปข้ามวันข้ามคืนไปแล้วไม่ได้เนี่ยเราหัดดูนะนี้เป็นศาสตร์ ที่เราต้องเรียนต้องรู้นี่คือการเรียนปริยัตนะต่อไปไปกินข้าวระหว่างกินข้าวก็ลองดูกายดูใจทำงานเวลาดูกายเห็นกายเป็นเคี้ยวข้าวนะดูได้ไหมร่างกายเคียวข้าวแล้วรู้สึกง่ำง่ำง่ำรู้สึกไดนะ้รู้สึกไปแล้วใจมันเกิดชอบมันอร่อยชอบรู้ว่าชอบความชอบเกิดก่อนรู้ว่าชอบเนะี่อย่างนี้นะไปดูดูกายดูใจ ดูกายเป็นปัจจุบันขณะดูจิตเป็นปัจจุบันสันติแต่อย่าดูแบบเครงเครียดจะกินข้าวก็จ้องเงี้ยเดี๋ยวก็กัดลิ้นเอาอ่างเนี่ยนะทำตัวให้มันสบายๆอย่าเครียดดูสบายๆจนะดูกายก็ไม่ใช่จ้องอย่างนี้ไม่เอานะใกล้ๆโลกจิตแนละ้วนะฝึกมากๆโรคจิตกิจริงๆนะในโรงพยาบาลบ้าไปดูสิพวกฝึกกรรมาฐานแบบเนี้ย อันนี้หมดเลยครับแล้วก็โยมก็ไปกินข้าว